สาคันที่ความสม่ำเสมอนี่อันหนึ่งนะอาจจะจะว่าอาหารมีมากแล้วแจกไปไงานก็แจกสุม่มสี่ส่มห้าไปอย่างนั้นหาความรบอบครอบหาความคิดอ่านไตรตรองเพื่อความสม่ำเสมอการดูยางปัญญาไม่มีใช่ไม่ได้เหมือนกันต้องใช้ปัญญาอาหารให้สม่ำเสมอกันจะมีมากมีน้อยก็าตามเว้นแต่เจ้าของไม่เอานั่นเป็นอีกแนนให้ทําให้ละเอียดละ อ, อ่ทุกอย่าง อย่าให้เห็นอันนี้ผมก็เคยพูดไปรู้กี่ครั้งอยู่เหมือนกันนะตั้งแต่เป็นพระผู้น้อยศึกษากี่กับสำนักครูบาอาจารย์ไปสำนักมากๆ ก, ก, กรรมฐานตั้งห้าสิบหกสิบผมก็เคยอยู่กรรมฐานมากๆเวลามากๆไปอยู่ด้วยกันผมก็เคยอยู่มาแล้วในวงกรรมฐานนะไม่ใช่วงปริยัติที่เราไปศึกษาเราเรียนการแจอกอาหาร มีตั้งแต่หัวหน้าหัวหน้าอย่าง น, นี้ก็เห็นแล้วจนกระทั่งถึงมันสะเทือนหัวใจไม่ลืมจนกทั่งแบบนี้เราเป็นพระผู้น้อยดูอยู่น้อยก็ตามหัวใจมีตามีหูมีดูฟังตลอดเวลาใจคิดตลอดเวลาอาหารนีหัวหน้านี้เต็มไปหมดไม่ทราบจะฉันอะไรต่ออะไรแต่ลูกวัดแห้งผากเนี่ยมันก็เคยเห็นแู้นะไม่ใช่มาพูดเฉยๆนะเห็นด้วยตาเนี่ย ถึงขนาดมันกระเทือนหัวใจเราะะนั้นนี่เราจะเป็ น, ปนได้เป็นเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนเราจะทําอย่างนี้ได้ลงคอไหม น, ะ น, น, หนาเนอะฟังสิมันถึงขนาดนั้นนะในหัวใจทํำไมผู้ใหญ่ถึงขนาดนี้ไม่ได้พิพนิจลาบ้างวานะนะแล้วเราเป็นหัวหน้าวัดเราจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมนะทําได้ลงคอไหมนาะนะเลยไม่ลืมฝังใหญ่ฝังใหญ่นี่ก็อย่าให้เห็นอย่ามาซ้ํารอยในวัดนี้นะผมไม่เป็นอย่างนั้นนะ ผมทำเพื่อหมู่เพื่อคณะจริงๆเมตตาสงสารเป็นโดยหลักธรรมชาติจริงๆไม่ได้เพียงมาเสดสัรกับหมู่เพื่อนนะถึงจะดุดาว่ากาวหมู่เพื่อนขนาดไหนหนักขนาดไหนก็ตามผมสาธุไม่ได้ประมาทไม่ได้อวดนะว่ากิเลสตัวประเภทที่มันความเป็นความโกรธแม่เมตสายหนึ่งมันก็เม่ปรากฏในหัวใจนี่จะว่างไงดูกันตามเหตุตามผลตามมาตามธรรมถึงจะจว่ารุนแรงก็รุนแรงแล้วอาจจะทำไม่ใช่รุนแรงไม่พี่ไม่มีไม่ได้เอาความโกรธมาใช้ กิเลสประเภทนั้นไ ม, ไม่ได้เอามาใช้เนี่ยเราพูดตามเหตุตามผลตามอดตามธรรมจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเมตตาเป็นไปด้วยความเป็นธรรมไม่ได้ผมไม่ได้ถือว่าผมนี่ใหญ่ตัวกว่าเพื่อนแล้วอยากทําอะไรก็ทําผมไม่เป็นผมพูดงงงงอย่างนี้หรอยอมอคอยฟังเสมอเหตุผลเพราะมันเป็นธรรมเหตุผลนัะใหญ่ตัวที่สุดเราอย่าเข้าใจว่าเรานี่ใหญ่ตัวเลยเหตุผลตัางหาอาจธรรมต่างหาเป็นเครื่องใหญ่โตและเป็นสิ่งที่ปกครองซึ่งกันและกันหรือปกครองโลกให้มีความร่เย็น เพราะความเป็นธรรมเนี่ยอาหารเวลาแจกกันก็ให้ดูบาทบาทไหนมีมากมีน้อยขนาดไหนดูให้มีความสม่ำเสมอแจกประสานผมเคยพูดแล้ววัดนี้ทําอย่างนั้นมาม า, มาดั้งเดิมนะแจกประสานอย่ามาแจกตั้งแต่หัวหน้าไปหัวหน้าไปแจกประสานตั้งแต่เนนึ่งขึ้นมาใ ห, ให้ได้สม่ำเสมอกันนั่นแหละคือความเป็นธรรมเป็นธรรมอยู่ตรงนั้นเย็นใจอยู่ตรงนั้นทุกคนเสมอภาคกันหมดเย็นสบาย นั่นสมความเป็นพระด้วยกันเป็นเน้นด้วยกันยูด้วยกันเราไม่มีพ่อมีแม่เอาศาสนาองค์เอกเอาธรรมองค์อันเอกเป็นพ่อเป็นแม่ของเราให้เอาสิ่งเหล่านี้มาดําเนินเพื่อความสมัครเสมอต่อกันแล้วจะเป็นสุขที่สุดทุกก็ทุกเธอทุกด้วยกันมีมีได้กันสมบูรณ์ด้วยกันเสมอด้วยกันเสมอกันแล้วไม่เป็นไรดีแต่จะให้มันเป็นแบบที่ว่าท่วมก็จะตายที่ผู้ท่วมผู้ไม่ได้กินอะไรไม่ได้กินเลยไม่ได้ใช้อะไรเลยแห้งผาแห้งผาอย่าให้มีในวัดนี้เป็นอันขาดนะ เราะผมเคยพูดหลายครั้งายหนแล้วไอ้พูดส่วนมากพู้แจกนั่นไม่รอบคอบเองน่ะนี่เคยพูดเสมอเคยดุเสมออย่าให้มีสิ่งที่มีอยู่ในวัดนี้อย่ามาขอผมมีเป็นของทุกองค์ถ้ า, าไปใช้แต่ให้รู้จักประมาณให้อย่าลืมทำกว่าแล้วกันใช้แบบพุ่งเฟอเ้อเห่หืมแบบลืมเนื้อลืมตัวนั้นไม่ใช่ทำอย่านํามาใช้เหมือนกันอันนี้ก็ดีถ้าใช้ด้วยความจําเป็นเอาไปเถอะของใครก็ใครก็เอาไปใช้ไป แค่ไปสิใครต้องการอะไรมาเอาจะมาขอจะมาขอากันขอทําไมเอาเลยเราเป็นคนบอกเองไม่ให้ขอต้องการอะไรมาหาเอาเมื่อมันมีเอาไปใช้เรื่องความเป็นธรรมที่ไหมันเย็นไปรมุ่นะถ้าขัดนิดนงึงนันะนั่นแนะ่ะเหมือนกับหํายอกเท้าแล้วนะเซี้ยนก็ตามอย่าว่าแต่หนามเลยนะ มันขัดขนาดไหนเสี่ยมเอ่อเสี่ยมเท่านั้นมันขัดขนาดไหนเล็กๆมั น, น, นีรือผงเข้าตาเป็นยังไงดูสิเท่านั้นแหละของไม่ดีของเป็นไผ่นิดน้อยมันเล็กๆนิด ๆ, ๆ, ๆมันก็เป็นไัยได้เพราะฉะนั้นให้พาการณามัตระหว่างสิ่งที่เป็นภัยตอกันและกันเรื่องเน้นให้เน้นถมมันทำคุณสี่คุณห้าช่วยช่วยนะ มันต้องไปซ้ําอีกนันอย่างนี้และมันเห็นคือความไม่เอาไหนน่ะมันประกาศเอย่างนี่ยดูตามหน้าที่การงานที่ทํามันบอกมันบอกความจริงไม่จริงรอดแหละหรือไม่รอดแหละของผ้าของเนนแต่ลโลโก้การดูผลก็ดูอย่างนี้การดูคนก็ดูอย่างนี้จะไปหาดูอะไรทําศาสนาพระเจ้าไม่ได้เป็นศาสนารอดแหละนะไม่ใช่เป็นของโลเลยุ่งเรืร่อมักง่ายสะเพ้าอย่างนั้นนะ ทำอะไรให้มีจริงมีจังให้มีเหตุมีผลมีสติปัญญารอบอยู่กับสิ่งนั้นเพื่อสําเร็จด้วยความราบรื่นดีงามทุกอย่างนั่นแหละทําอยู่ตรงนั้นนะพระพุทธเจ้ามีที่ตรงไหนเป็นที่ติธรรมะแปดหมื่นธรรมขันพอประมาณหาตําหยีได้ที่ตรงไหนอปฏิบัติเข้าไปสิปฏิบัติเข้าไปตรงไหนตรงไหนก็พระองค์รู้แล้วสอนไว้แล้วสอนไว้แล้วเราจะมาทนลงตัวอยู่ได้ยังไงนั่นนอกจากไม่รู้หลับตาชนโดยเฉยถ้าลงได้ลืมตาแล้ว ชนไม่ลงโดนโดนไม่ลงฮสิ่งที่ไม่ควรโดนก็รู้อยู่แล้วสิ่งที่ไม่ควรชนก็รู้อยู่แล้วเพราะตาเห็นอยู่นี่นี่ทำมุ่ยยาท่านสอนที่ตรงไหนจริงที่ตรงไหนเมื่อรู้ในหัวใจแล้วมันมันจะทําได้ลงคอหรอือมันก็ยอมรับยอมรับอย่างงี้นอกจากมันมืดแปลทิศแปลด้านอะไรก็ดันไปเลยอย่างนั้นนั่นแบบคนตาบอด เยอะมา ก, ก, ท, กทุกวันทุกวันพระจำไงหาที่ภาวนาสร้างสงฆ์ก็ไม่ได้อุบายวิธีการภนานาที่สำคัญมากนะการทำเฉยสักแต่ว่าทำหรือทำกรรมในระยะเวลาเฉยสักแต่ว่ามันจะคิดเห็นหัวหลอน อุบายที่จะพลิกแลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่ต่อสู้ี่เด็ดนี้มันต้องร้อยสันพันคมทีเดียวไม่งั้นไม่ทันกันเห็นมาใหม่เอยสอนเลยจะตายไม่มีวันเติบโตมีแต่วันครานเหมือนนั้นมันไม่ไม่อยากจะพูดว่าลูกกครานมันครานเหมืนนั่นมันหาเวลาลุกที่ไหน เดินที่ไหนได้ได้วยความซื่อๆซาๆนั่นอพราะว่าพอหนังสติแท็กท่านหนังสติแท็กท่าน น, น, นั้นวิ่งเลยมันรู้มันผิดนั่นมันเคยด้มเข้าไปเรื่อยนะเข้าไปนู่นแต่พอหนังสติแท็กท่านนั้นน่ะโอ้ยตัวมนต์มันรู้มันผิดนั่นดังนั้นต้องเอาให้มันรู้สิ ตัวนี้ก็มีอยู่เนี่ยบางทีมันไปตัวเดียวมันนี่ไอ้สอบเนี่ยมันไปดอมๆมันไปแต่อันนี้ยังไม่รู้ภาษาเลยฟังเกลียดดีนั่งติดแคคไปแล้วมันยังไปดูอยู่มันยังนึกว่าเป็นสัตว์อะ้รมันยังจะตามมาอยู่เนี่ยเออมึงตามมาเด้อว่าเดี๋ยวมึงสลติดดิแต่ส่วนไอ้ไอ้ปังกับไอ้ลวงเยโอ้ยมึอยู่แล้ววันนี้แคคท่านรูเป็นปังเลยมันหู้อันนันมันหู้ว่าผิดแล้วไอ้นี่ยังบ่รู้เนี่ยภาษายังเนี่ย <laughs> ม, มันขัาไปเรื่อยอยู่ที่เดียวมันแน่นเน่กลางวันมันรืตันบใบตอนไหนมันมกจะไปถนะแ้าตัวนี้ไม่อล่นไปบย่นี้บไง่ไปเลยเนี่ยสอบเนี่ยมันดืด้อยู่มือเครื่องมันก็ไปหาลายกล้เนี่ยใกล้แตกฮึ่ยๆนั่น มันโดยมันหอบแค่แค่ยังเป็นนิสัยอยู่มันทําไมไม่พึกษาปรลกซะก่อนได้ว่ามันพอมาไม่บอกไม่กล่าวไม่พึกษาปรลบก่อนนี่พี่เห็นไหมอย่างนี้มันก็รู้แล้วมันเป็นยังไงหัวใจคนรอบข้าหรือไม่รอบข้าว มื่อวานี้ก็ไปโน่นไปถ้ำเออถ้ำไทยดีนะปูหนักนัดูให้ให้หนเออเนว่างหมนาชการคน <c oughs> ว่างมาหมหดัดในตัวเนีเออแต่วุ้ขัดาเยหน่่างหมัดในอยู่ที่วัดอะไรถ้ำอะไรนนูไทยนะ จำชื่อไม่ได้ทีเดียวสองวัดนี่นะที่ไปวันวัดถ้ำวัดถ้ำพระเนอะภวะเนอวัดอะไรแล้ววัดบูชาอะไรวัดไหนวัดไหนเป็นวัดอะไรวัดถ้ำพระพูวอวัดถ้ำพระพูวมีถ้ำไหมเนี่ย ถ้ะท่านอุทยัยเนี่ยมีไหมอ๋อนั่นนั่นดีเราเราไม่ได้ขึ้นบางทีเวลาไม่พอเราไปตึกทิศลาที่ิศล่างมองไปแต่มันก็รื่นเริงในหัวใจเหมือนกันนะมองไปมองไ ป, งไปน่าสมุขนามกลางคืนเป็นเท่นั่งพ่อนายตามแถวนั้นสบายเยนี่ยมันอย่างนั้นนะมันปลุกประสาทนะปลุกใจเมือ่อเพอไปในป่านในเขาเพราะเราเคยไป มันมันอะไรพูดไม่ถูกนะความลื่นลึงในจิตใจเกี่ยวกับากบาดกระทำเนี่ยเมื่อไปอยู่ในที่เช่นนั้นมันไม่ไม่ไดเหมือนทอี่ทั้งหลายนะที่พระเจ้าทรงสอนที่ถูกต้องตามจุดหาที่ค้านไมเลยนะพอกล้าเข้าไปนั้นใจมันจะค่อยเปลี่ยนแปลงมันเรื่อยๆความรู้สึกเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสถานที่นะชอบผมที่านั้นสลาแบบขวางโลกก็ไม่มี พลาใหญ่ๆเอาไปขวางโลกไว้ในภูเขาที่สงบสงัดก็ไม่มีนะมีกุฏิหลังหนึ่งก็ชั้นที่นั่นชั้นบนอื่นนั่นเท่านั้นก็พอแล้วจะไปทําอะไรมากมายนะสถานที่เพื่อจะสั่งสมธรรมเพื่อจะเสริมธรรมเพื่อจะสร้างธรรมไม่ใช่เพื่อจะไปสร้างวัตถุพวกอีกพวกปูนพวกหินพวกตายอยู่ไหนมันก็เต็มไปหมดตัวนี้มันวิเศษอะไรไปไหนก็ไม่พ้นที่จะเป็นอย่างนี้แหละพระกรรมาฐานเรานะ่ะ ถ้าว่าคิดแล้วเด้๋ยคิดเด้๋ยเห็นคนแล้วจะไม่ทำบางอย่างเลยนะนี่ไม่ได้คิดยัง ท, ที่ว่าหาเกาที่ไม่คันคดดยิ่งกว่าหมาขี่เรื่อนถ้าหาเห็นแล้วผลแล้วที่ไหนไม่คันจะไม่เกา่าถ้ามีเห็นอตุผลในป่าในเขาไปหาสร้างอะไรว่านั่งหนาใหญ่โตโลหะฐานพอได้อยู่ก็อยู่ยนั่นที่เรียก ว, ว่าสถานที่เหมาะสมกับกับผู้ไปบําเพ็ญ เพื่อหาความสงบเทาไหร่ส ร, าร้างสลาแต่ละหลังๆสุดสายตานะ่มันแตกประหลาดลูอนหัวใจมันเป็นยังไงหัวใจมันยังงหออยากจะอวดสังดาเลอนะว่ามีอำนาจวาสนามากสร้างเลยฮะนี่ทนะังดาขี่มาอะไรอนยะ่างี้ โลกเขาสร้า ง, างนี่มันกี่ชั้นไปเห็นมไหมจะอวดอะไรอวดโลกเขาผู้ที่ใช้ความคิดป่านแต่ตองมันหาที่พักม่ได้นะมันหมอกเลยมันกล่าวเลยอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ สมกับท่านเป็นจอมปราดในสมัยปัจจุบันท่านฉลาดมันหาที่ต้องตีท่านไม่ได้เลยนะท่านทําอะไรหลเนียพิจารณาตามเหตุตามผลยอมรับยอมรับเหมาะเหมาะเหมาะเลยกราดอย่างเหมาะลาวเหมาะลาวนั่นผู้ใช้ปัญญาทําหากว่าเรามจะมีปัญญาบ้างพิจารณาตามที่ท่านท่านทำแบบนั้นเป็นยังไงงีมันก็เหมาะลาวไงนี่ยมันคือหาที่ท่านไม่ได้เอาปัญญากับปัญญาให้เดินตามกันเลยอยู่มันจะขัดกันได้ไง หนึ่งความโง่กความฉลาดอย่างนี้มันสำคัญมันเป็นค่าสิตร อ, อยู่เนี่ยเอ้จับจับจัน <laughs> วันนี้ลุงไม่เห่านะ น, นี้ต่นอนกระบะเลโอ้นอนานาร์โน่ไหบบ้างชอบอาหารก็มากนะทั้งมันเสาร์ด้วยทั้งอาหารปกเด็กก็าทำมาพันเพื่อระลึกถึงยมแม่วันเกิด วันตายของผมแม่ทำไปเสียลึกไอเด็กเขาได้มีโอกาสทํำเราคิดไปอย่างนั้นน่ะจึงได้พาทําทุกทุกปีเราไม่ว่าอะไรนี่เขาเขาอยากทําพวกดีๆพวกน้องๆรุกหลานเราคิดเห็นอย่างนั้นน่ะเราก็เลยพาทำํำพ่อไม่ใช่เรื่องผิดการทำไปลึกถึงบุญถึงคุณของพ่อของแม่นี้ทําลงไปมันเสียหายอะไรเราไม่ได้เสียเหตุผลก็มีอย่างนั้นอยู่างวาง แม่จะไม่ลึกทุกๆเวลาเลาแล้วลึกถึงวันตายท่านได้กันยังดีลูกที่มีพ่อมีแม่เป็นผู้เลี้ยงดูมันไม่ผิดอะไรอทำแต่ที่ฐานในมลภาพบัดนั้นวันนี้มาให้ยุ่งมากๆอย่อางแมวมันจะกลายเป็นเรื่องยุ่งขึ้นมาเรื่องหนึ่งทํามันก็ต้องเด็พิจารณาเหมือนกันหเถอ้ทําพอเหมาะพอควรอยาให้มัน มองว่าเกินไปจริงถึงอย่างเขาทำวีส า, าขาบูชาเนาะมาค้าบูชาพระพุทธเจ้าเนะี่ยนั่นแหละพวกญาติโยมประชาชนทัน้งหลายเขาจะได้มีความระลึกไม่มีเวลาไม่ร่ำเวลาแต่ก่อนเนะี่ยวันนั้นเขาก็มีเวลาเขาได้ระลึกก็ไม่มีอะไรผิดเขาได้ระลึก เพราะนเรืองสิ่งที่เป็นมหามงคลนั้นแม้นวันหนึ่งก็เป็นมหามงคลอย่างยิ่งเขาได้คิดวันนี้เป็นวันวันพระอย่างนี้เป็นต้นนะวันนี้เป็นเอกจากนั้นกับวันนี้เป็นวันวิสาขะะที่พระองค์ทรงแสดงมหามงคลวันนั้นลึกถึงวันมหามงคลนะวันนี้วันประสูตรแล้ววันนี้บรรดาจะรู้นี่เป็นเรื่อง วิเศษวิเศษมันตับรู้เรื่องวันปรินิพานก็ประลุกถึงพระคุณของท่านที่เมตตาต่อสัตว์โลกไม่มีใครเสมอเลยเนยะมีแต่ความเป็นมองคลนิมบาตจะให้เร็วเกินไปนะ เดินบิณฑบาตอย่าให้เกินเหตุเกินผลนะอย่ามารีบมาด่วนเพื่อผมผมไม่ได้ต้องการเพื่อผมผมเพื่อทําต่างหากนะกเพื่ออะไรให้เพื่อทําเดินบิณฑบาตให้สวยงามความสั้งรวมเป็นที่หนึ่งเดการเดินบิณฑบาตก็คือการเดินจงกรมนั่นเองคือเป็นอะไรไป ท, ท่านเรียกว่าบินฑบาตเป็นวัดวัดตักคือข้อปฏิบัติ เป็นข้อปฏิบัติหนึ่งอย่าทำลุกดี้ลุกลนดูไม่ได้นะอันนี้เคยพูดเสมออันนี้เป็นด่วน้าอะไรผมก็ไปของผมเองผมก็รู้อยู่เรื่องของข้อวัดปฏิบัติของพระของเน่งของวัดของธรรมแนีวเราก็ไปตามเรื่องของ น, น ใครบาดแล้วพูดที่รับบาดมันมีไม่รับบาดผมกับสะายของผมมาได้ยากอะไร น, นี่แปแลกเดีย ว, ว, วนี้ป่วยคราวนี้ผมแปลกนะพูดไม่ถูกนะเป็นอยู่ภายในเนี่ยนันจับไม่ได้นะส่วนส่วนข้าสุก ข, ข้าสวยนั่นมันไม่ได้เล ย, ยจะทำใหมมองอยู่นี่ขวางกันเลยอ้าวโอีคฉันได้พวกเข้าต้มข้าโจ๊กไป แล้วแล้วไม่ค่อยชอบฉันข้าวโดยนะชอบสัตประหาฉันกลับอ้าวทำไมเป็นงี้อย่วะนี่ชันกลับมันก็มันก็มัดถ่ายอะไรสินี่ันแล้วมันชอบจะถ่าหากไม่เมื่อยนะไม่เพียก็เลยปล่อยําเรื่องมันเราอาหารมาใส่ในบาตรนีก็มันฉันไม่ได้ที่ทำไงข้าวสว ย, ยนี่เอามาใส่ในนั่น มันก็ฉันไม่ได้แม้แต่ยืนในจานมันยังไม่ฉันเลยนี่ยผมตั้งกระ บ, บวชมานี้ก็มีคราวนี้แหละได้ปล่อยบาตผถขนาดนี้ผมไม่เคยได้เป็ น, นก็ได้ก็เพราะธาตุเพราะขันเป็นแล้วก็รวมตามธาตุตามขันเลยก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนใดญะความอะพูไม่ใช่บวดแล้วก็เพื่ออย่างนั้นเองถ้านโดยลาพังเราแล้วเราไม่ได้เสียดายมันเนี่ย จะไปเมื่ อ, อไหร่ก็ไปที่ภาษาว่าดินนั่งมุงไฟก็รู้กันอยู่พิจารณากันอ่ทุกวั น, นมันหลงกันอะไรเนีอยากว่ า, างั้นนะอดูนี่ก็กดินก็น้ํานี่เห็นชัดชัดหนิเนี่ยแล้วจะว่าอะไรยี่สิบวิโฉอะไรนอกจากดินจะน้ําไปห่ะเนี่ยนี่เห็นชัดอย่เนี้กับที่ไปหงวงไปอะไรกันมลมก็ลมหายใจเห็นอยู่ไฟก็ไฟธาตุอะไรกันี่ดินกับน้ํำกันนี่ซึบติดกันอยู่เนี่ยเนื้อหนังของเราเนี่ มีน้ำแท้โดยตลอดก็ดินกันน้ำเนี่ยตื่นมันหาอะไรห่วงหาอะไรห่วงไปทําไมอยู่ไปกี่กับมีการมันได้อะไรก็ดินน้ารวงไฟอยู่ไปเท่าไรมันก็มีดินน้ำไฟอ่นี้เป็นประจำอยแล้วมันหวัง อ, อะไรกับมันหวังได้หวังเสียอะไรกับมันพินิจมันชัดเจนลงไปแล้วต่างกันต่างจริงนามันก็อย่างนั้นแล้วไมนมีได้มีเสียจถึงกล้าพูดที่เคยพูดเสมอว่าเราถึงให้เป็นพระหล า, านก็ตามนะ แมมันพูดได้นี่ทำไมพูดไม่ได้คนมีกิเลส ย, ยังเรียนทำปุถุเจ้ายัางกราบปุถุเจ้าพราะธรรมประสงค์ได้ลงคออันนี้เรามีกิเลสอยู่ล้วทำไมเราจะพูดเรื่องธรรมไม่ได้วะคิดว่าความเป็นอยู่ความต า, ตายไปของพระอรหันต์ท่านมีน้าหนักเท่ากันนะถ้าไม่มีประโยชน์ของผู้อื่นของประชาชนเป็นต้นมาเกี่ยวข้อง แล้วการเป็นอยู่กับการตายไปของพระอานท่านจะมีน้ำหนักเท่ากันไม่มีอะไรยิ่งย่อนเครื่องกลางกันเลยเพราะในความรู้สึกของท่านจริงๆในหลักธรรมชาติของผีประเภทนั้นนะจะไม่มีความรู้สึกว่าตนได้ตายไปก็เพียงแต่สลัดเครื่องมือนี้คันนั้นธาตุขาหนี้เป็นเครื่องมือเรือนร่างที่อาศัยอยู่นั้นแล้วไม่ได้มีความรู้สึกว่าตนตายไปแล้วจะไปร่วมจมที่ไหน Hey. มันพอกันอยู่กับหัวใจดวงนั้นนี่นะทุกสิ่งทุกอย่างมันพออยู่นั้นหมดแล้วแล้วไปสงสัยที่ไหนผางมมตะคุกเงากันที่ไหนลงแล้วหัวใจให้มันเต็งทําเท่านั้นไม่ต้องถามใครมันก็รู้เองอยู่เต็มหัวใจนะั่นน่ะนั่นนี่อันนี้ก็เป็นสันติโกนความตายไปรู้ก็เพียงแา่ขันสลายตัวจากส่วนผสมท่านั้นมันอะไรไปตื่นอะไรมัน แล้วมีชิตอยู่ก็สักแต่ว่าอาการของขันที่แสดงตัวยิ่ง ๆ, ๆแล้วก็ได้อะไรจากการแสดงตัวของขันเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเนี่ยก็ผ่านไปแล้วเนี่ยได้อะไรได้ยินก็สักได้ยินก็ผ่านไปแล้วได้อะไรเนี่ยก็เคยได้ยินมาตั้งแต่วันเกิดเฉพาะชาตินี้ก็ตั้งแต่วันเกิดสัมผัสสัมพันธ์มาตั้งงแต่วันเกิดจนกระทั่งนี้ได้อะไรเนี่ยมันก็มีเท่านั้นตาไปแล้วจะไปร่วมจมกับอะไรอีกร่วมจมที่ไหนอีกเนี่ยมันก็รู้อยู่ชัดชัดอยู่ ทานี่เกี่ยวข้องกับประชาชนกับยังพระพุทธเจ้ารับภาษาพวกท่านสั่งสอนจัดโลกนั่นแหละท่านมีชีวิตอยู่มากน้อยเพียงไรก็ได้ทําประโยชน์ให้มากน้อยอยางนั้นถ้าหากว่าท่านร่วมไปเสียการทำปโยชน ด, ด้วยวิธีการนี้ก็ระงับแไปกันไปเนี่ย ถ, ถึงมีน้ําหนักมากกว่ากันด้วยเหตุผลอย่างนี้ไม่ใช่ด้วยความเสียดายอะไรในชีวิตนะท่านท่านไม่ได้เสียดายท่านไม่ได้อะไรท่านไม่หวงนี่ ก็ท่านไม่มีวันมีคืนก็มีแต่มือกับแจ้งเห็นอยู่นี่เท่านั้นมือก็ตาไปว่าเขาตาก็เป็นเครื่องมือของใ จ, จไปว่าแยบท่านั้นไม่แจ้งก็แยบเท่านั้นเองถ้าจิดนี้ไม่ออกสัอย่างเดียวเท่านั้นมันมีอะไรโลกกว่านี้น่ ะ, ะฉันหลัดมันออกหมดที่เครื่องมือที่สนับใช้ของใจให้มีแต่ใจล้นวนแท้เป็นยังไงนั่นแหละองนั้นแหละพระารามพระารามท่านเห็นตรงนั้นแหละพวกเรามันไม่เห็นนั่นสิเดี๋ มันต้อมงมาตะคุบเงาตะคุบลมตะคุบแล้งเมื่อแจ้งตื่นเมื่อตื่นแจ้งตื่นสว่างตื่นนั่นตื่นนี้เป็นบ้าทั้งสศวรร้อนๆเราอยากพูดอย่างนั้นถึงเรามีกิเลสอยู่ตามเราก็จะช่วยพระอรหันท่านด่าดุพวกกูรเชนคนพวกนั้นหนาอย่างพวกเรานี่วะมันเป็นบ้ากันไม่เลิกพวกนี้วะมันอยากพูดจากนั้นนะ่ะทั้งที่เราก็มีกิเลสเต็มหัวใจอยตามเลยนะมันก็อยากจะพูดว่าพวกบ้าไม่เลิกอย่างนี้ว่า ตื่นไม่เลิกอะไรกันนใจประธานท่านเป็นยังไงเราไม่ไเป็นประานเราไม่รู้เราเป็นประธานนี่เราก็รู้เองท่ามีอะไรกับสิ่งอะไรในโลกอนี้นะัแล้วท่านจะมาหวงอะไรเรื่องเป็นเรื่องตายที่โลกเขาสมมติกันเสกกันมากท่าไม่เสก เ, เรื่องเป็นเป็ น, ปนตายตายอย่างนี้ท่านเสกอะไร พวกเราพวกนักเตะเสรแล้วก็จะคล้องละนี่นก็เหมือนกับเราไปเอามือไปแปะเอาขี่เนาะมาดมเจะคล้องละเหมินอันนี้จะคล้องละเสกจะคล้องละตื่นจะคล้องละติดแน่จะเป็นอะไรไปพรนานันท์ไม่เตมพูดพูดแบบลมนงแรงว่ากัอย่างว่านนะอื เป็นพระรหันต์เรื่องพูดมันเรงสนุกพูดเนะต่างคนต่างเป็นพระรหันต์ด้วยกันด้วยกันด้วยกันแล้วแล้วพูดก็ไม่พูดมันฟังออกหมดไม่พูดก็ฟังออกอยู่แล้วนะพูดก็ฟังออกไม่พูดก็ฟังออกมันฟังออกเป็นงหัวใจนั่นนี่ระวังงมันต่างอันนี้นก็พวกหัวใจพวกเรานะพวกเราถึงพูดมันก็ฟังไม่ออกไม่พูดมันก็ฟังไม่ออกสิว่าไงมันพวกบอดพูดมันก็บอดไม่พูดมันก็บอด ฟังก็บอดไม่ฟังก็บอดเนะี่ยวันนี้ให้ชูบอลชูเอ า, เอ า, เอ า, เอาผลไม้อะไรๆที่ขอให้มานะไปให้อาจารย์ชลีพอดีอาจารย์ชลีไปก่อนเอาเรียก็้อส่วนมาถามมันตั้นหลวงปู่ขาวเหล่านี้เราไปได้แต่เราไม่ค่อยเอาอะไรไปถวายทั น, นะ เพราะเราก็ทราบเหมือนกันกับเราทราบวัดเราผมก็บสมุนมบุญก็ไม่ทราบจะเอามากลมกลืนกั น, น, นักหนาเนี่ยนี่เราไปหาคูบาจังนั้นเราก็ไม่ค่อยเอาอะไรไปนะแต่เรามักจะเอาไปถวายที่วัดขาดตกบกพ่อง น, นี่เป็นอย่างนั้นในความรู้สึกของเราเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นนี่จริงเอาไปอย่างนี้เลยวันใด ขาดตกบกฟ่องและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็หยดเสริมขาดตกบกฟังทั้งๆที่ปฏิบัติไม่เป็นท่าเราก็ไม่อยากเล่นด้วยนะ น, ย น, นั่นเป็นั้นหนักอยู่ในจิตเราอย่างวัดอะไรควรเราอยู่ได้สบา ย, ยนะเราชอบนะไปเห็นมาแล้วเรายังชอบมากกว่าที่ใดที่ผ่านมาเรานี อย่างลงชื่พูก็เขาไม่ได้ชอบมากจนขนา็อะไรมาอยู่แล้วแต่เพียงวป่าไม่มีที่นั่นมันมีป่าดีก็ชอบดีแต่ถ้ามันโล่งดีจริงๆแล้วพูว่นะ่โล่งมากสบายเนียนั่งพาวนาบางทีอยู่ที่ไหนที่ีวสบายเย็นมันโล่งทั้งถาาทั้งขันเปิดทั้งหุดใจเปิดทั้งถาดขัน พร้อมกันทั้งสองอย่างลสบายแสนสบายวัดวันนี้ไม่ค่อยดีสถานที่ดูดูแล้วนะน่ันวัดอันดับสองเนี่ยวัดทุสองเนี่ย บ, บูชาที่ทําเลเที่ยวไม่ค่อยมีก็จ ะ, จะขึ้นขึ้นไปโน่นกล็ลาบากบนหลังเขาจะกล็ลาบากอันนั้นมันขึ้นได้ไหมว่านั้นขึ้นไปตามหลำนั้นน่ะ มีสบายไปเห็น พ, พวกป่าบอนป่าอะไรเป็นธรรมชาติพวกบอนพวกอนะไรเคยกินมาแล้วนี่ไปอยู่ในป่านในเขาพวกคนพวกนั้นนะ่ะเขาหามาแกงให้กินพวกบอนมันก็เลยฝังใจนะนี่เลยมันกกลับไปเห็นคุณกันนะแป๊ด น, นะจับผักกะโดนขึ้นมาก็ย่อนหลังปับ๊บคิด จับอะไรอะไรที่มาซึ่งเป็นเครื่องที่ของที่ออกมาอยู่ในป่าในเขาแล้วมันจะลึกย้อนหลังปั๊บปั๊ปั๊บเป็นงนั้นมันนคือเห็นคุณเนี่กินทําให้คิดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าเวลาท่านจับสะดุ้แล้วท่านยกต้นโพ ท, ที่ท่านจับสรู้นั้นให้เป็นคู่เคียงของพระศาสนาด้วยมในท้องด่วนเพราะความเห็นบุญเห็นคุณนั่นเองคุณยัง่ายงพอพูดอย่างนี้แล้วก็ย้อนหมาลงปลูกขาว เพราะวันนั้นเอากันอย่างถึงพริกถึงขิง น, นี่ตั้งแต่สองทุ่มถึงหกทุ่มที่ว่าคุยกันอยู่ที่อำเภอหนองบัวลำพูนที่ว่าชี้ยุเรียนประยุกตท่านพูดถึงเรื่องเวลาจะออกจากที่นั่นท่านว่าที่กิจท่านเป็นนั้นกิจท่านคว้ามโลกธาตุออกจากหัวใจในคืนมันนั้นมโบราณท่านจะไดจากไปด้วยความจําเป็นท่านว่านะ ท่นพูดเองเนะี่นแหมมันเข้ากันปึ๊บเลยเดียวละเพราะออกไปพอค้นจากเห็นแล้วยังหันกับหลังหันกลับมา้มองสถานที่ที่ท่านเคยอยู่ที่ท่านบำเพ็ญตลอดทุงทางจง ก, กรมนยทําให้ดูมันหนักเป็นอะไรอยู่ในนี้พูดไม่ถูกท่านล่ะเรายอมรับเลยว่าพูดไม่ถูกก็ช่างเถอะวางกันเลยเข้าใจทันทีวางกันเลยพู ด, ดง่ายๆนะ มนูดว่มันเป็นอะไรท่าแบบโลกเขาเขาเรียกว่าอาลีอะไรอะไรอะไรอาวรแต่เรามันก็ไม่มีอย่างนั้นทันว่าแนะี่มันตังมีอะไรที่พูดไม่ถูกอันหนึ่งอย่นั่นแ่ละหว่านะคือถ้าเราจะแยกมาพูดกแบบับยาแบบโลกเนี่ยคือว่าความเห็นบุญเห็นคุณถ้าถามที่เช่นนั้นท่านไปได้ของวิเศษวิโสทำวิเศษวิโส ข, ขึ้นมาในจุดนั้นจุดนั้นจริงเด่นมากที่สุดนนในใจท่านพูดอย่างไร เหมือนอย่างต้นโพเป็นติ๊ดเด่นคู่เคียงศาสนาของพระพุทธเจ้ามันเองนะมันพูดที่ซึ้งมากนะเราพอได้ยินเั็นเ้ยเข้ากันนะปับอันึงที่นี่ก็พวกอาหารการขันเรื่องทั้งหลายเนี่ยที่เอามาเนี่ยมันมีของเกี่ยวกับเรื่องป่าเรื่องเขามีพวกผักพวกอะไรอะไร พอจับป้าพนี้มันจะวิ่งย้อนหลังไปนู่นเลยกลับมาเห็นบุญเห็นคุณของหลัง เ, ออเราปฏิบัติพอได้ลืมหูลืมตามันมีบ้างมีตั้งแต่สิ่งอยู่นี้ทั้งนั้นวางเนี่ยท<ะ>มันถ้ามีพริกกับกินกน้ำพริกนะมมนรู้มันอร่อยอจริงๆรนะ เพราะไปอยู่ในที่ดัดฉันดานนี่มันจะไม่อร่อยอย่างไงกินก็ไม่กินได้มากนี่เพราะมันไม่มีมากเ <c oughs> ข้าอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างเราหาดัดเราดีกว่ะให้ให้ชาวบ้านเขาดัดช่วยสีเจ้าของมันไม่เป็นท่ามีมากกินมากว่าไงมันไม่เป็นท่าอย่างนี้ทีมีมากกินมากกินมากขี้เกียจมากนอนก็มากภาวนาไม่ดีท่านมีน้อยๆฉันน้อยๆงย่าตัวมันเบา เดินอยากก่างกมีโต๊ะฟิวเลยนั่งนี่กันแน่วมันเห็นได้ชัดมันไม่ลืมนี่นะบางทีมันมีจะเข้าวเปล่านี่ยเข้าเปล่าเฉมันจะฉันได้มากขนาดไห น, นเพียงเท่านี้มันก็ไม่จะไม่หมดหรือหนึ่ ง, งแล้วก็อนั่งในที่นี้ความงอกอห่วงมันไม่เห็นมีอความงว่วงมันเป็นเพราะกลับนี่มันไม่เป็นเพราะข้าว น, ะนั่นเองมันก็ไม่รู้นะ แขนไม่เข้าเอาเปล่าแล้วเดินจงกรมมันก็ตัวเบานั่งสมาธินี่มันก็เป็นเหมือนหัวต่อขึ้นแนว่วมันไม่สับ ป, ประงโกตกนั่นอะไรเลยถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิก่อนแน่วในสมาธิถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาก็ท่องตัวนะั่นะ่ะมันได้ทั้งนั้นเนะี่นี่มันช่วยท่านยินท่านมาอาหารสัพปพยาเราใช้หมายอลอาหารสัพเพยาพวกผัดพวกมัน อ, า, อาหารอย่างดีๆเงี้ยนี่สัพปพยะสัพเายาจะดังเคราะเข้าะหบนหมอนเย่ยอย่างนั้น เราดูยี่กินพวกผัดๆมันมากๆนี่เราดูยี่มีแต่ความง่วงง่วงมันได้สังเกตอย่างนั้นที่ผู้ปฏิบัติไม่งั้นไม่เข้าใจในการปฏิบัติอาหารสัพยะอย่างนี้นะ่ยมันคือหนุนทางด้านภาวนานะถ้าขันก็พอเป็นพอไปแล้วจะเอาอะไรกบมานอีกเนี่ยน้วอาจจะก้าวทางสมาธิ ไม่ว่าจะทางปัญญามันคั่งตัวนี่แต่ว่ามันเสริมอาหารนี่เสริมพวกผักมันอยู่ในป่าในเขาเยอะบางทีก็พวกน้ำซับน้ำสึนมีผักอะไรเขาเรียกอะไรผักอะไรที่เราเคยมาฉานะาาันนี่นี่นะผักบุ้โหระพาเราเพอ่เลยกงนก็พวกอันนั้น แกงหน่อไม้ก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้แต่งแกงหน่อเนี่ยหน่อไม้ปอนี่แข็งแข็งอะไรขอเขาแกงไม้จันะมันแข็งแข็งแต่สีมันเหมือนกับมันจะอะไรมันจะไม่จืดแกงไม่จืดมันมันก็เห็นเป็นนะมันก็ดีธรรมดาตัวตัวมันแข็งแข็ง พอนั่นแล้วเท่านั้นแหละแล้วมันก็ไม่กังบนกับอาหารการกินเลยนอกจากทําที่เป็นความมุ่งมั่นอยู่แล้วเท่านั้นหมูติวต้วทีเราจริงกล้าพูดได้ว่าปฏิปทาเรามันคนอาภัพวาสนาเป็นปฏิัทาอดอยากขาดแขนริงเป็นไปได้นะพ่อทูพอ่อไถยนะถ้าสมบูรณ์ผุดผลไม่เป็นทางจริงนะผมเพราะนั้นจริงต้องเด้นดัดกันอยู่ตลอดวเวลา ยิ่งท่าขันมันกำลังดีตก่อนนะโอ้ยต้องได้บีบกันบังคับกันลงแม่มันกินมากไมให้กินมากไม่ให้กินมากอย่งนั่นะ่ะบีบลงไปบีบลไปมันไม่พิทานาไม่เป็นทานนอกจากนั้นมันง่ยเฉพาะอย่างนี้รากมากนะ